จากมหาปรินิพานสูตรพระไตรปิฎกเล่มสิบเป็นอันแสดงว่าปฏิบัติบูบชาหรือธรรมะบูชานั้นเป็นบูชาอันสูงสุดกว่าการบูชาด้วยอามิดเช่นทูบเทียนดอกไม้ถ้าจะพิจารณาโดยใกล้ชิดแล้วก็เป็นการสั่งสอนอย่างไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนพระองค์ไม่ถือพระองค์เป็นจุดศูนย์กลางสาหรับเครื่องสักระบูชาข้อสาคัญ